เมื่อความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายสรโวโบโพติยานในวันนี้จะได้พูดเรื่องนาถากนธธรรมในข้อที่สามคือกา ร, รยานามิตรตาคำว่ากา ร, รยานามิตรตานั้นคือคบหาสมาคมกับมิตรที่ดีที่เรียกว่ากา ร, รยานามิตรเรื่องกา ร, รยานามิตรนั้นเป็นเรื่องใหญ่ คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเป็นชีวิตทั้งชีวิตก็ได้พรนนนไม่เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเห็นว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอันประเสริฐทีเดียวแต่พระเจ้ารับสั่งว่าอย่ารับยาพูดอย่างนั้นนะนนเพราะว่ากัลยาณมิตรนั้นก็คือตัวของการใช้ชีวิตอันประเสริฐ แต่วการยานะไม่ที่ส่งมุ่งหมายในที่นี้ก็หมายทั้งตัวคนดีแล้วก็ธรรมะที่เป็นกุศลึ่วก็อิงอาศัยกันได้กันนะในานาแนวนาถกกนาการธรรมที่ว่าการที่ตนจะอยู่อย่างมีที่พึ่งได้เนี่ยตัวเองก็ต้องมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะากว่าไม่มีการศึกษาหรือศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่อย่างมีที่พึ่งได้ แตราชีวิตเราอ่ะจริงแล้วในี่เรื่องคุณธรรมจะเป็นเรื่องแกนหลักของชีวิตเราลองสังเกตว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านต่างๆบางทีมันก็เหมือนกับหนามไปเกี่ยวอยู่นิดเดียวเองไปค้างอยู่ได้เป็นปัญหาที่ไปเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์สุจริต มีบางทีมันเป็นเรื่องสุจริตแต่ว่าเมื่อถูกกาหนดให้เป็นทุจริตมันก็กลายเป็นทุจริตในแ ง, ง่ของสังคมคว่าจะทําตนเองให้กระจายได้มันก็มีปัญหาเพราะว่าประวุลเสียสุขภาพจิตอยู่ก็สมควรเรื่องการยานมิตรจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าทรงจําแนกแสดงไว้ในบัลีหลายๆแห่งนะครในเช่นว่าในกุตรกา นิกายยติวุตตะเป็นใจความว่ากัลยาณมิตรตาคือความมีกัลยาณมิตรจึงอาจจะเป็นบุคคลไปแนะนำสั่งสอนะระดับเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่มีความรอบรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเพื่อนฝูงที่เขาผานสมาคมการร่วมหลักความคิดการร่วมกิจกรรมการร่บมผลประโยชน์กันหรือว่าบุคคลที่เป็นบริษัทบริวารแล้วก็สามารถเลือกเขา้าหาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นเขาร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านเหล่านั้นก็ก็ในที่จริงมันก็แนวปัณฑิตานั้นเจเสวดา คือการขบานาสมาคม บ, บัณฑิตนั่นเองถึงบดเปลี่ยนเป็นกัลยาณมิตรคือในที่บางแห่งเนี่ทรงชายกับว่าขบานสมาคมกษัตริย์บุรุษอยู่ในพวกจักรศีพวกวุฒิศีนี่ทรงเรียกว่าสัตบุรุษแต่ในที่นี้ก็ทรงเรียกว่ากัลยาณมิตรซึ่งต้องเข้าใจว่าอย่างเดียวกันนะฮะกัลยาณมิตรก็ดีบัณฑิตก็ดีสัตบุรุษก็ดีหรือว่าพวกปิยมิตรพวก มิตรที่มีใจดีเป็นต้นเนี่ยก็สรุปรวมอยู่ในคำว่ากัญยาณมิตรรับสั่งไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชนใดความีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนาเป็นบุพนิมิตแต่งการเกิดขึ้นของรีมาร์พิองแปประการแกภิกษุฉะนั้นความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจันทร์ คือการครองชีวิตที่เปรตทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่ง น, นี้ได้คือจักเจริญจับธรรมในมากซึ่งอริมักเป็ประการอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเราศาตร์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็พ้นจากชาติผู้มีชร า, าเป็นธรรมดาก็พ้นจากชะ า, าผู้มีมรณะเป็นธรรมดาก็พ้นจากมรณะผู้มีโสกะเปเทวะทุกขโธปนัตอุ ป, ปายญาเป็นธรรมดาก็พ้นจกากโสกะเปเทวะทุกขโธปนัตตุ ป, ปายญา เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้สักอย่างเดียวที่มีประโยชน์มากสมภิกษูผู้เป็นเสขะคื อ, อยังต้องศึกษาอยู่เหมือนพา ม, มีกัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกําจัดอกุศลได้ย่อมยังกุศลให้เจริญให้เกิดขึ้นมาได้ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความนารงมั่นไม่เสื่อมสูญความแม่นอันตรธานแหน่งพระสธรรม โดยหลักโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ ย, ยเราจะเห็นว่าพุทธบริษัทนี้มุ่งให้เป็นกัลยาณมิตรระหวังกันอะไรกันโดยโครงสร้างที่ทรงวางไว้โดยหลักธรรมะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถึงบางครั้งบางคราวดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าในภาคสนามเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ ในขณะเดียวกันก็สรงจำแนกแสดงลักษณะของกัลยาณมิตรเอาไว้นะฮะในพระสูตรทั้งหลายมีสิงขาและกัสสุตเป็นตน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิง่งที่เรานำมาอ้างมากที่สุดก็คือในสิงขาและกัสสุตเพราะว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ชายหนุ่มคนหนึ่งคือสิงขาลมานพพ่อเขาตายก่อนจะตายเนี่ยพ่อสั่งไว้ เมื่อพ่อตายไปแล้วในลูกไหว้ทิศให้พยายามไหว้ทิศแกก็ไปบัตรคำสั่งของวิดาก็ตื่นเช้าก็ลงไปแช่น้ำแล้วก็ไหว้ไปในทิศทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้ปรากฏอยู่ในที่นที่กนิกายปาติกวักนะครับแล้วก็อยู่ในหนังสือเรา ก, ก็ว่าหนังสือสุดมนต์ฉบับหลวง หนังสูอเดียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำข้อความคุณลักษณะมาวัดความเป็นกัญยาณมิตรเอาไว้แล้วก็นาไปไว้ทั้งสองด้านนะฮะแต่ในที่นี้เราจะพูดเฉพาะในด้านของกัญยาณมิตรตดยทรงจำแนกประเภทเอาไว้ว่ากัญยาณามิตรเนี่ยคือมิตรที่มีใจดีมิตรที่มีจริงที่จริงใจในแก่มิตรที่มีอุปการะก็มีลักษณะอยู่สี่ประการ คือรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนที่ประมาทแล้วเมื่อมีภัยมีอันตรายขึ้นมาเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งบํานกักันได้แล้วมีกิจจำเป็นออกปาาขอช่วยเหลือก็พร้อมจะช่วยเหลือและอาจจะช่วยมากกว่าที่เด็กร้องโดยําไปแต่ในกรณีนี้ก็ต้องนึกถึงความเหมาะความควรอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่า เราครบเขาเพราะต้องการจะหยิบยืมจะขอร้องให้เขาช่วยเหลือก็าแก้ปัญหาให้แต่ว่าเราเองก็ต้องเป็นกัญยาณมิตรกับเขาเขาก็เป็นกัญยาณมิตรกับเราเป็นเรื่องกิจยาปฏิจยาตามโครงสร้างหลักที่แสดงไว้ในโลกนิทิ่ว่าให้ท่านท่านจากให้ต่อสนองน้อท่านท่า น, านจยากปล o นอบไว้ ักท่านท่านจะครองความรักเรานาะสามสิ่งนี้เป็นไว้แต่ผู้ทรชนนั่นเองความความเป็นกัญยาณมิตรเนี่ยมันไม่ใช่ให้ควายใดควายหนึ่งแสดงคือคนบางคนเนี่ยไม่เคยช่วยช่วยเหลืออะไรใครเลยแต่พอขอเพื่อนช่วยเพื่อนไม่สามารถช่วยขึ้นมาได้ก็เอ อ, อนะุวยวายขอร้องทางนั่นก็ไม่ได้ทานี้ก็ไม่ได้อะไรแต่ไเนี คือบางทีมันผู้เหตุเกิดตัวมันไม่ใช่กัลยาณมิตรอยู่โดยสถานะคือเป็นเรื่องในหมู่กัลยาณมิตรกับกัลยาณมิตรที่เขาปฏิบัติต่อกันแล้วถ้าเราทําได้แสดงว่าเราเป็นกัลยาณมิตรต่อคนอื่นคนอื่นทําได้แสดงว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรต่อเราแต่บางครั้งเนี่ยมันอ่อยเยได้นะเรื่องเหล่าเนี้ยคือต้องมีการพิสูจน์ทดสอบกันพอสมควรโดยคนเราจะ รู้ว่าจิตใจก็เป็นอย่างไงในความคิดความอ่านเป็นอย่างไงเนี่ยมันจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็มีการสังเกตมีการตรวจสอบมีการพินิษฐ์พิพจาณาจึงรู้ถ้าไม่สังเกตไม่ตรวจสอบไม่พิจารณาก็จะไม่รู้ก็อย่างที่โล ก, กนิชเขาว่าไว้เื่อนกินสิน้นทรัพย์แล้วได้หนีาหางง่ายหลายมืดมีมากได้ เพื่อนตายยอมถ่ายชีวะอาหายากกว่าผีขายยากผีขายยา ก, ยากแพ้จักหาคือหมายความว่าเพื่อนที่มีอุปการะจริงๆความรักใค ร, จร่จริงๆนะประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆนี่มันหายากนะคือคนเราบางทีคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าใครจะเป็นกันลยาณมิตรกับเราหรือว่า เป็นสตูในร่างมิตรและโดยเฉพาะคนที่รวยกับคนที่มีอำนาจนะจะดูไม่ได้เลยเราจะรู้เมื่อเราตกต่ำลงไปรู้เมื่อเรายากจนลงในหนังสือเรื่องลุ่มน้ำน้ำทาา่าเชิงพายมาพานะเชิงพายมาพานขออาจารย์สุชีปุญ ญ, ญาโนภาพ ก็มีวิธีที่จะธิบายเห็นว่ามีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งคือคนรอมล้อมท่านเยอะเหลือเกินเยอะจนจนเครียดในสุดแต่มาสร้างข่าวท่านล้มละลายสร้างข่าวล้มละลายมีข่าวว่าท่านล้มละลายไปออกปากพูงคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้ไม่ต้องการให้พบไหม่ว่าง ติดธุระอะไรต่อใดก็สารพัดแต่ตกลงว่าไม่มีใครที่จะช่วยเหลือท่านใดในขณะเดียวกันก็มีปราสาทเกิดขึ้นหลังใหญ่แต่ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของต่อมาเมื่อสร้างปราสาทนั้นเสร็จก็มีบัตรไปเชิญทุกคนเหล่านั้นน่ะคนที่ท่านเคยไปขอหยิบยืม เสร็จแล้วมาถึงเวลาท่านก็แสดงตัวท่านบอกว่าท่านต้องการจะพิสูจน์เพราะท่านไม่รู้ว่าใครสุดจะดิจใจกับท่านหรือไม่สุดจะิตใจเรนนี้ท่านรู้แล้วว่าใครเป็นใครแล้วก็เป็นยังไงแต่ในสุดก็มอบสมบัติให้คนที่เป็นลูกศิษย์ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งท่านเลยไม่ว่าท่านอยู่ในฐานะอะไรก็วางนตนเป็นเสมอตนเสมอปลาย แล้วก็เป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะแต่ว่าเราไม่มีเวลาพออๆจะไปพิสูจน์ทดสอบหรอกคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครปฏิบัติอย่างไรแต่อยู่ที่เราปฏิบัติอย่างไรคือเราไม่ต้องกักบกเกณฑ์ว่าเพื่อนเราจะต้องทําอย่างนั้นอย่างเนี้ยเราก็ทําก็แล้วกั น, นเพื่อนไม่ทําเขาเป็นการพิสูจน์ว่าเขาไม่เป็นการยาณมิตรต่อเราท่านั้นเองแต่เราก็ได้พิสูจน์ความเป็นการยาติมิตรของเราต่อเขาแล้ว มันเป็นกรรมที่แต่และคนได้กระทำไปตามสมควรแก่เหตุซึ่งเมื่อเขาไม่ไปปฏิบัติอย่างนั้นเขาจะจะเสียใจเองจะละอายแก่ใจเองในตอนหลังนะถ้าไม่อายก็ให้รู้ไปนะฮะแต่เราเองก็มีความสุขใจมีความภูมิใจแต่เราทำได้อย่างนั้นลักษณะอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสามารถที่จะ รวมทุกข์รวมสุกกันได้เป็นการพิสูจน์น ะ, ะบอกความลับแก่เพื่อนปิดความลับของตนไปปิดความลับของเพื่อนแล้วก็มีอันตรายไม่ละทิ้งในชีวิตก็สละให้ได้แต่การบอกความลับเปิดเผยความลับเนี่ยว่ากันตามความจริงมันเป็นการสแสดงว่าเราเชื่อมั่นในเพื่อนเท่านั้นเองแต่เพื่อนที่รู้ความลับของเราแล้วก็ต้องนําไปปิดน่ะฮะก็นําไปปิดไม่ไปบอกกล่าวใคร เราก็รู้ความลับของเพื่อนแล้วก็ปิดเอาไว้ไม่ไปบอกการให้แก่ใครฟังไม่เป็นการพิสูจน้ำใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายว่ามีความสุจริตใจมีความจริงใจกันมากน้อยแค่ไหนเพียงใด น, ไ น, นะไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนนะฮะแต่ว่าต้องการพิสูจน์ว่าเพื่อนเนี่ยมันมีความสุจริตใจจริงใจกันขนาดไหนบางทีมันมันมันเป็นบทเป็นมาศนะเป็นมาศวัด ตรงนี้มันเป็นมาตรวัดแต่จริงก็ส่งแสดงหลักไว้แค่สี่ประการคือในที่อื่นเนี่ยก็ยังไม่เคยพบว่าส่งอธิบายขยายความอธิบายขยายความมวในสิงค้าแลกสูตรเนี่ยแต่ในที่อื่นก็จะบอกแค่สี่ประเภทนั้น น, นิดประเภทต่อไปก็เรียกว่าแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อัตถขายีจจโยมิตโตนะฮะมิตายแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือว่าเวลาเพื่อนประพฤติผิดพลาดบุกร่องก็ห้ามปรามว่ากล่าวตักเตือนจะค่อยชี้แจงแนะนําให้เพื่อ น, น, นดํารงตนอยู่ในสถานะที่เป็นคนดีให้เลยฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็บอกทางเจริญให้แก่เพื่อนของตนหน้าที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าทําหน้าที่เหมือนพ่อแม่เหมือนครูบาอาจารย์ เป็นนั่นที่เหมือนกันหมดเลยคือาการละยานุมิตรเนี่ยที่ยิงพ่อแม่ก็คือการละยานุมิตรบาอาจารย์ก็คือการละยานุมิตรเป็นคนที่ทําหน้าที่แนะนําในสิ่งประโยชน์แล้วก็เหมือนกับชาวบ้านกับพระด้วยเราเห็นว่าพระมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อชาวบ้านเนี่ยคือห้ามปราบเขาไม่ทําความชั่วให้เขาประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์ด้วยน้ําใจงดงาม ให้เขาได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจ่มแจ้ ง, จงบอกทางสวรรค์ให้มันมีอยู่หกข้ออันนี้มีอยู่สี่ข้อแต่ตรงกันนะฮะสีข้อนี้ตรงกันหกข้อมันก็เป็นเรื่องพิเศษออกไปเพราะว่ากรอบนนมันกรอบใหญ่กรอบใหญ่คือพระจะต้องทําหน้าที่ต่อชาวบ้านอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ทําหรือไม่ทําเป็นเรื่องของเขาแต่พระมีหน้าที่จะต้องทําเลยก็ ไปเพิ่มข้อสงเคราะห์โดยน้ำใจอันงามและอธิบายสิ่งที่เกิดขวางแล้วแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ก็ตรงกันทีนี้พอมาถึงหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยก็ห้ามปลามลูกไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาการความรู้ความรู้ต่างๆนะฮะักัลยะาณมิตรมันกึงอยู่คล้ายๆกับ ที่ตรงกันหมดเนี่ยคือหน้าที่ของพระกับชาวบ้านพระที่ทําต่อชาวบ้านเนี่ยพระก็ต้องทํามิตรทําตัวเป็นมิตรประเภทอัปตกขาจีคือแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเวลาเนี้ยเวลารายการอย่างรายการวิทยุคนหนึ่งเนี่ยเมื่ก่อนก็มีหนังสือพิมพ์สยามรัฐเขาพิจารณาแต่เราอ่านแล้วเนี่ยไม่รู้จะจะเอาอยัางไงนะ คือเหมือนกันแกไม่เคยฟังพูดถึงว่าต้องหมุนคลื่นหลบคำเลียดไรคำบาลีคือไม่ได้จะเชียร์ไม่ได้จะยกย่องแต่สแสดงให้เห็นว่าแกไม่ยินดีในธรรมไม่ฟังธรรมแต่ว่าเมื่อเขียนแล้วก็ขอด่าหน่อยก็ได้กันถึงว่ากันทำความเป็นจริงนี่แกคงไม่รู้นะว่าพระที่มาทารายการเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเช่าเวลานะ มันไว่ใจก็ถวาฟรีหรอกเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยท่านก็ต้องขอสนับสนุนจากญาติโยมนสนับสนุนก็เป็นเรื่องของท่านอยากโยมมาสนับสนุนท่านก็ดําเนินการได้ไม่สนับสนุนท่านก็เลิกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มาต้องมาแสดงให้เห็นว่าถ้าเรานั่นก็มีน้ําใจนะครมีน้ําใจมีเจตนาดี แล่ายการก็อาอตมานั้นจะโดมจะเห็นว่าพูดมาตั้งร่วมสามรอยครั้งแล้วนะฮะยังไม่เคยได้อะไรเสีตังค์ใครเลยนะก็ในกรณีที่เราพอทําได้เราก็ทําแต่สามค่าใช้จ่ายมีไหมก็มีนะก็มีอย่างเหมือนกับคนอื่นของ่าใช้จ่ายสามสิบนาทีก็เท่ากันนะแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่พอจะทําอะไรได้เราก็ทำนะแต่ว่าคนบางคนจะทําทําอย่างเราไม่ได้เราก็ต้องเห็นใจต้องเข้าใจกัน แต่ภารกิจนี้ที่ยิ่งเหมือนกันนะครับคือไม่ว่ารายการของท่านผู้ใดก็ตามจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ตามกคือต้องการให้เขาละความชั่วประพฤติความประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์เขาผู้ฟังโดยน้ําใจติงนดงามให้เขาได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอนะธิบายสิ่งดี่เขาฟังแล้วแจ่มแจ้งเบาทางสวรรค์ให้เพราะก็แสดงความเป็นกัลยาณนะมิตรต่อกันเนะ่ มันไม่ใช่เป็นการได้ไรไปเพื่อร่ำรวยจะได้ไรเพื่อรักษารายการอย่างวันก่อนไปที่จังหวัดอุดรธา น, น, นีพิยอมก็ต้องการจะสนับสนุนรายการรู้ธรรมนำชีวิตเตี๋ตมาดําเนินการทางโทรทัศน์ช่องเก้าวันนี้ค่าใช้จ่ายสูงนะครปีหนึ่งหมดสักสองล้านกว่าเราก็จนแต้มเราก็บอกญาติโยม เพื่อจะหาเงินที่ไหนมันทาเวลาเนี่ยเขาให้แต่ว่าเราก็ไม่มีเงินจะจัดการดําเนินงานโยมก็ส่งกันมาจากทั่วประเทศนะพอได้เงินจำนวนหนึ่งก็ร่วมล้านเราก็บอกพักบอกให้พักไปก่อนโยมก็ต่อบว่าทําไมต้องพักบอกว่าเราก็ขอมาทํารายการนั่นเองนะเมื่อทํารายการได้ก็พักไปก่อนคือไม่รู้สึกว่าเรื่อไรมากไป แต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อมันหมดเงินเราก็บอกอีกคก็ที่จริงก็คือหยุดมาสองครั้งแล้วนะหยุดมาสองครั้งแล้วเราตกลงกันว่าพอเงินมันขึ้นไปประมาณทักเจ็ดแปดแสนนะฮะเจ็แปดแสนแลี้ยก็ทําได้ทดําได้อํานาจบุมควรเราจะหยุดแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดการเดียราการบอกกล่าวเราก็แค่บอกกล่าวนะใครจะให้ไม่ให้เราไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่าญาโยมเขาดีนะมีน้ำใจโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยให้ความสนใจรายการนี้เยอะไปที่ไหนนี่มีคนรู้จักทั้งนั้นแต่ว่าไม่ไม่ใช่รู้จักเป็นการตัวตัวรู้จักทางโทรศัพท์นั้นก็คืนแนวของกัญยาณมิตรจะเห็นว่าคำสอนพระเจ้าสอนพระกับชาวบ้านสอนกัะยาณมิตรกับกัลยาณมิตรสอนพ่อแม่กับลูก เหมือนกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือละบาปบาเพ็ญบุญนะจะเรียกยังไงก็ได้บางควาว ม, มาถ้าเราหวังดีต่อกันก็ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยลาบบาบําเพ็ญบุญทีนี้มิตรที่มีน้ําใจเขาเรียกว่าอนุกรรมประกาคือมิตรมีความรักใคร่เป็นมิตร ท, ที่รักใคร่เอ็นดูองค์ดีปรารถนาดีต่อกันก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้เพื่อนมีสุขก็พอยชื่นยินดี ก็เรียกว่าสุขสุ ข, สขด้วยทุกๆด้วยแต่เวลาสุขนี่ที่จริงเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาไม่ค่อยวุ่นวายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่แต่เวลาทุกเนี่ยเขาจะเอื้อทอนจะหพรใหญ่ไปเวลาใครติเตียนเพื่อนในทางที่ไม่จริงนะฮะหรืถ้าจริงก็ไม่รู้จะวายย่ายังไงแหละก็ต้องอธิบายชี้แจงกันไปก็ห้ามปราบ เวลาก็าสันเสรินเพื่อนทำความดีที่ถูกต้องเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าในการสร้างเรื่องกันแล้วเราจะไปลงไหลได้ปลื้มเนี่ยคือมันมันต้องดำรงอยู่ในเรื่องของสัจจะทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นกาลยาณมิตรตาแล้วมันเป็นธรรมะเป็นที่เพื่อนแต่เรามีพูดกันว่าสองคนคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายคือจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนนะ คือมันทำให้มีความรู้สึกวันก่อนที่ที่ก็นิมนต์สถาบันราชพัฒน์นิมนต์ไปที่จังหวัดอุดรธา น, น, นีคือเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะะเป็นเจ้าคณะภาคก็ตายไปพอเราไปถึงที่วัดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเพลงมันเหงาคือมันไม่มีใครที่เราคุ้นพอที่จะไปไปนอนอยู่ที่กุฏิก็ได้อะไรแต่ไรได้เนะี่ย เข า, าก็จัดที่กุฏิของเพื่อนนั่นแหละให้พักแต่เสร็จแล้วพรผู้เสร็จก็ขึ้นเครื่องกลับเลยมันมีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยในจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราควรจะมีเพื่อนไว้บ้างนะเราไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จักใครไม่คุ้นเคยกับใครแต่ถ้าเรามีพระพวกเพื่อนฝูงไม่มีวัดนี้เราก็ไปวัดต้นไปวัดนั่นอะไเแต่ไห น, นในกรณีที่ ต้องการจะไปอนะครดังนั้นการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นนาถฏการธรรมแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเราเองก็ต้องเป็นมิตรมีอุปการะต่อบเพื่อนเป็นมิตรพร้อมได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนเป็นมิตรที่แนะนําประโยชน์กับเพื่อนแล้วก็เป็นมิตรที่มีน้ําใจคือมีอุปการะต่อเพื่อน ไม่ใช่กลายเป็นปลาประมิตรคืมิตรปอลอกล่อก็มุ่งหวังได้ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นคือคนบางคนเป็นคนน่ากลัวนะฮะขอลูกเดียวเลยขอดา่าขอเรื่อยขอไม่จนไม่มีการบัญญัติบรรยัติวันไหนที่เราให้เนี่ยแต่เรายัางให้เขาอยู่เนี่ยแสดนเขาก็ดีกับเราเราไม่ให้ปั๊บวันไหนโกรธทันทีอันนี้เป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดเลย แล้วน่าสยดสีอย่งนะฮะบางทีอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรก็ได้เห็นแก่ได้ก็กลายเป็นคนประเภทปอกลอกคือขาดความมีน้ำใจต่อเพื่อนต่อญาติพี่น้องต่อวงศาขนาญาติแนยตรงนี้เป็นการปฏิบัติเฉพาะตัวเป็นการเจริญกุศลซึ่งเราจะเห็นว่าเราไม่ีความบริสุทธิ์ใจเรามีเหตุผล เรามีความรักความหวังดีต่อเพื่อนของเราเป็นรูปของกิริยาปฏิกริยาดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องกะเกใอในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาทำมันธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับประโอาอะไรหล่ะกระเบื้องปกเก้แล้วรต้องมาปูรวมกันเนี่ยนะทุกฝ่ายต้องปรับสภาพตัวเองมาจึงสามารถจะปูกันได้เรียบราบเสมอด้วยดี บุคคลทั้งหลายที่จะเกี่ยวข้องค้อผาสมาคมกันก็เป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของกิริยาปฏิกริยาดังกล่าวถาการเกในฝะ่ไไายใดฝ่ายหนึ่งทำํำโดยตัวเองไม่คํานึงที่จะทําตอบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ต้งฝั่งทั้งหลายแต่หลวงปพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามบริบูรณ์ในธรรมจังมีแต่ท่านผู้ฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี